มาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรสองขื่อบัญญัติต่างๆมีประวัติความเป็นมาอย่างไรภาษาของมนุษย์เนี่ยไปเดิมก็มาจากภาษาให้ภาษาใหม่ก่อนให้ชีบูชีเบย์แคภาษาธรรมชาติอ่าไทยภาษาใหม่เป็นภาษาธรรมชาติต่อมามนุษย์ลักษนาการขึ้นมาเมื่ออยู่กันในสังคมใหญ่จำเป็นต้องเรียกออกเสียงก็ฟังจากฟังเสียงสัตวเสียงนกร้องมนุษย์ก็เรียงแบบพูดอย่างออกมาโอ้อย่นี้ออกมาได้ ต่อมาอีกจะเรนขึ้นรู้จักคาขึ้นนู้นขึ้นค้ายกันแล้วตอนนี้คําที่มันเรียกคําแรกคือเรียกพ่อเรียกแม่นี่เรียกคำแรกภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยเป็นคําเรียกเป็นคําเรียกคำแรกแล้วต่อๆมาต้ก็าารัฒนาการมาเรื่อะแยกแยกย้ายกั น, นไปก็เกิดเป็นภาษานานาชาตินานาพันธุ์ออกมาเนี่ยออกมาเป็นเป็นออกมาเป็นออกา่นายเป็นกองทีเรียกซึ่งเข้าขมาจากภาษาละไม่ชาติเพราะฉะนั้นถามว่าภาษานี่มาจากไหนก็ตอบว่ามาจากภาษาใบภาษาละไม่ชาติก่อนนะฮะ ถามอาที่วะบรรยัตต่างๆล่ะมีประวัติมาอย่างไรก็ไม่มีประวัติมาอย่างไรมือมนุษย์มีความเจริญขึ้นขึ้นใช้เครื่องครามันมีมากอุปกรณ์ต้องมีก็จำเป็นอยู่เองจะต้องนึกนึกในสิ่งที่จะมาต้องกับความหมายว่าไอ้นี่คุณจะเรียกว่าอะไรไอ้นู่นคุณจะเรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นมนุษย์เองนั่นแหละอาใั้อุปกรณ์ต่างๆแตกต่างกันก็เรียกตามรูปของผ้าชนะรูปของวัตถุเรี่ยงนี่ลักษณะของผาชนะจึงมีชื่อและบรรยัติขึ้นอย่างโคลนี้ ก็เรียกเชนว่าอ้วนก็เรียกไอ้อ้วนพอไอ้พ้อมคันี้ก่อนแล้วต่อมาเกิดมีคุณ้นแล้ว่คุณคุณพร้อมแล้วคุณจได้อนพร้อมอย่างนีวไปได้แล้วจำเป็นอย่างไรก็ได้ว่าอ่าพร้อมหนึ่งพร้อมสองหรือว่าอ้วนหนึ่งอ้นสอง้นบอ้วนตายอื่นเนื้อแล้วแ่อยู่ตามทิศทางต่อมาไอ้ทิศทางนันแล้วก็มีอ้วนพร้อมมาเข่าจะได้อย่างนี้ไปได้จึงต้องบัญญัติชื่อชื่อเรือมาแล้วช่ในกอ้วนกาอ้วนขอมจีดีในเรื่องชื่ออะบัญญัตินะฮะลักษณะการมาอย่างน อีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่าพระขันธ์ไทยนะฮะถามมาขอฟังเหตุผลกล่าวว่าการแตกแยกเป็นหลายๆนิกายเป็นเครื่องหมายให้เห็นถึงความเจริญของศาสนาอีกสักครั้งเพราะอาตมายังไม่หายแข็งใจเลยเพราะอาตมาได้ยินมติของอาจารย์อีกท่านหนึ่งมาแสดงมติของท่านในทางตรงกันข้ามกับมติของอาจารย์คือว่าพระพุทธศาสนาไม่มีนิกายเลยนะเจ๊งเลยเจ๊งคืออย่างไรทุกตัวอย่างศาสนาทุกแคร์บรีสิเบสอ้าวหัวหมวกก็ไม่ได้ผมหนังสัตก็ไม่ได้หืึ่องเท้าหนังสัตก็ไม่ได้ เขาเป็นเชล瓦ด ม, มีการเดียวเชล瓦่งน่้าสมหมเป็นอาบาัตตับพุทโอจะอ่าไม่ได้ไปสมหมกไม่ได้ข้าไปสูมรองเท้าอย่างครุษาทคุ้มคุ้มแข่ง ม, มาไม่ได้อีกโลกระวาชาัชะเหมือนอยังเหมือนอย่างคารุษา ข, ข้าสวมยังมีฝักหน้าพูดอย่าที่เบิดไม่ได้ที่เบิดมุงหนาวัำที่มือแรงๆจมูกมมบูดมือมุกเป็นชาขออภายัยเวลาปัสสาวะถ่ายบู้ถ่ายพูดนะฮะบางทีปัสสาวะเป็นน้าแข็งเป็นงออกมาเลยต่อมือหักนะ่ยความหนาวค่ะช อา ล, ลองสิไปไปหมใจจีวรอย่างเ่าอย่างภาทางเอเชียทางภาคล้อมนนีสิไปอยู่ในที่เบสสิมีหวังตายแน่เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องจาเป็นแก้ไขสิขาบทปรปบบออทับปรุงให้กับเข้ากับสิ่งแวดล้อมอนุญาตให้พราสวมหมวกหนังสัดอนุญาตให้พระคองจีวรหนังสัดอ่าอนุญาตให้พ้ะสวมรงเ้าหุ่มแค่ป้องกันความหนาวเมื่อเมื่อแก้ไขสิขาบทแล้วก็ต้องแยกนิกา ก, าการะถิ่นละมั่นสุนีนิกายเข่งมาแต่เดิมนีกายก่นละนก็บอชื่อลูกทางการแก้ไม่ได้แล้วอยากไปแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้าเราจะมีแต่ิการสิริวัฒน์ีิกายเดียวนะศาสนาพุทธ จ, จะเผยแผ่เฉพาะเมืองร้อนไปที่เบต่ อ, อนึงกจีนไปสายบีบีก็ไปญี่ปุ่นไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้นี่จะไปได้ก็เฉพาะมีแต่ขัตธรรไปแล้วก็เผู้ค า, ารุหัดเอาผศาสนาจารย์เราก็ไปได้จะให้มีสังขารกัหน้าไหนที่จะไม่ได้เนะ่เพราะฉะนั้นภูมิประเทศดินฟ้าอากาศอ่ะมันบังคับไปในตัวที่ให้ต้องแยกนิกายออกไปเพราะปูให้เขาเข้ากัการทีดสาปฐานการณ์นี่ประการหนึ่งอีกประการหนึ่งอารมณ์ะนิมีศในท้องถิ่น แต่แลประเทศแต่และถินไม่เหมือนกันศาสนาพุทธเรานี่ยเป็นศาสนาที่อลุมารุาท่ที่สุดที่สุดเราไม่ได้ไปตั้งข้อแม่ว่าถ้าครนั่นงือพุทธแล้วที่ต้องไอของสก่าวัฒนธรรมเก่าประเทศเก่าทาาี่มีอยู่ต้องเลิก ห, หม ด, หมดต้องมาลับแต่เพาะพุดอย่างเดียวเราไม่ว่าอย่างนั้นเลยน่ะพุทธเจ้าเองก็ทําเป็นตัวอย่างอย่างเช่นกรณีบางทีตะบะที่ผมเคยมาอ่างเห็นไหมที่พวกองคชาตเจ ร, ริญปัจจักสปะตบะบางอย่างถ้าทําไปแล้วไปทุกติกิวินิบาตนรกบพกระองค์ติเตี้อน แต่ตบะับางอย่างทำไรแล้เข้าทุ่สุกติเขาอมก็สําเสริญนี่ไม่ได้ไม่ใช่ตำมิตรีเรืปองเทนีกาเขาตะคุตือเพราะเหตุนั้นพอศาสนาทุกแขเข้าไปต้องับตัวเองให้เข้ากับกับเทนีในท้องถิ่นเช่นคําไมือจีนมือจริงก็มีศัสนาขผมจี้ศาสนาเตาอยู่ก่อนพุกเรากเาไม่ได้ไปตั้งศนศัตรูกับศาสนาเดินเข้าเราก็อาลุกอาวเข้ากรบขงจีงเข้ากระเต๋คติธําใดที่เขามีดีเราก็รับแดงคติธําใดที่เสียเราก็ตัดไปไม่ใช่ไาตัดไปั้งหมด เมื่อเป็นเช่นนี้ที่กายเดิมที่ในอินเดียก็รังเกียจอาแก่นอกฤทธิ์แต่ต้องเป็นชวง า, าอย่างท่านอย่างนี้เพื่อเลังคติธรรมวินิทินแิ้วตุนตัวได้แล้วไม่เอาแยกใงกายไปถ้าไมาย่ยอมแก่สัตรูัพุทธตังในมือจีนไม่ได้เข้าไปถึงไปขัดขวางตะวินีดังเดิมเอาอย่างนี้อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นกาลเทสะสิงวังงตรล้อขนมขมประเทีนเหให้เกิดนิกายแยกกัในตัวศัรนัพุทิงกันศัตรที่ยิ่งใหญ่ทไมา่้ฉนั้นก็มีคนวัคคี ตัดมือจีนก็ไม่ได้ปัดมือินออกตัดญี่ปุ่นออกตัดที่เบสออกตัดตักนองกุรียออกหรือแต่ในส่วนอินโดนีนห้าประเทศนี้ก็พอแล้วแล้วไม่ต้องไปไปพึ่งแผ่นที่ไหนกันอ่าเพราะฉนั้นผมเลยบอกว่าการที่ศาสนาพุทธมีมีกายเนี่ยมองในแง่หนึ่งก็เป็นแสดงเห็นความเจริญก้าวหน้งของศาสนพุทธที่มีกายเยอะๆนี่แต่อีกแง่หนึ่งก็บอกว่าเป็นความเสื่อมแต่ความสื่น่ะมีน้อยให้น้อยมากกต่เลยมีสิมีมากกว่าความเสื่อมเพราะ้ารเสื่มรือไม่เสื่อมก็ต้องเสื่อมอยู่แล้วเสือสังขารลพัน นะอุปราชาทาี่ตีคันฆาจะได้รับ้องรังเกียอยู่แล้วแต่ในแง่ของกองจราจรนี่เราได้ผลมากการที่อย่างนี้กายออกไปเนี่ยถ้าไม่แย่ซึ่งคือจะรับตัวอยู่แค่มืองร้อนแล้วก็เสร็จกันเลยไอ้มือหนาวไม่ได้เลยไม่เคยแผมึงหนาไม่ได้รู้เป็นอย่างนี้แหละครับเพราะฉะนั้นหนเวลานี้ปัจจุบันบนี่ศัพร์นับพุติก็แรรษหลายในอเมริกาอเมริกาหรืออเมริกาใากาต้น่ะไม่มีพู้เชี่ยวชาใไปเลยไม่มีเลยผูมหาอายางใสแคงนั้นแหละทําไมล่ะเขาจับตัวกับสิงแวดล้อมได้เฉะนั้นเรามัวแต่คํานึงเนี่ เราไม่เคยแผ่ในดินแดนเหล่านั้นไม่ได้การเป็นอยู่เ็นลำบากนี่การการที่จะเสนาสนะเ อ, อปยุบุนิบาปวัฏาะเอย อ, อะไรต่างๆลำบากหมดปัญหาสิขาหมดเนี่ยสิขาบทเหล่านี้ผู้อง์ทรงมันยักในอินเดียในครั้งพุทธกาลนี่โูกเปลี่ยนแล้วการเวลาเปลี่ยนแล้วเพาราะนั้นผู้มหายาตาาิไปยแพในอเมริกาดีแล้วแต่ไม่ได้ไหมายความว่าสิ ร, วรวิวัฒน์ละเม่ดีนาวยนะถาภาิวันวจะมาเลิกปีนาเราก็ไม่ใช่ภาคสิรวนแล้วโอริกาใหม่แล้วไปแล้วไปเป็นมหายาแล้วโอริกาได้ไปสกัดมหายา ถ้าเราเป็นหินละบาเราก็ต้องยืนหยัดรักษาสกุลิตกุณหินหละบาทเอาไว้คือว่างรักษาไมวินัยให้ถึงครับแต่ถ้าเราลองจะลดดุดหย่นวินัยก็อุนิกายได้ไปอยู่เป็นมหายานอย่างนี้เขาไม่เขาไม่หาหมมัวงหรอกแล้วเราก็ซื้อแผลสบายไปอเมริกาก็ได้ไปเป็นนอนโรงแรมก็ได้อยู่โรงแรมเข้าโรงแรมอยู่อะไรต่างๆเลยสบายถ้าเป็นนิกายญี่ปุ่นแบบมหายานแล้วก็เพราะฉะนั้นเราก็เห็นแล้วว่าศา ส, สนาพุทธเจริญ เ, เนี่ยต้องอาศัยช่วยกันหลายๆนิกายช่วยกันแต่แยกสาขาไปก็เข้ากับว่าพ่อแม่มีลูกหลายคน และลูกหล่านี้ก็ไปตั้งตัวทําทุนในมุมตามทิศ ต, ต่างๆเนี่ยชื่อเสียงก็แพร่หลายกิจกรรมการค้าพ่อแม่สึ่อเดือมีล่้านเดียวเขอยากเป็นสาขาหลายหลายล้านแล้วแต่ละบ้านเนี่ยตอนในท้องถิ่นต่างกันก็ต้องมีหีบห่อบ้างเครื่องไม้บ้างกาันโบประการได้ให้เข้ากันได้กับระเบียบตามต้องการประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆเรตัวอย่างเช่นว่าลาพ่อแม่ทุนเราแล้วไปตั้งกานค้า ใ น, ในในคุยแอฟริกาแต่พ่อคุณไปตั้งผิดไปตั้งร้านดักผมในแอฟริการับรองเจงเพราะอะไรแขกรีโกทุกคนเลยยุติไทยผมดิบทุกคนยิ่เป็นต้นหอยเลยนี่โกมีคนไหนผมเดีอดไปดีใครไปตั้งร้านดักผมเชดผมในอเมริในแอฟริกาแล้วก็หายทองเลยเจงแน่ม้วนเสือเป็นค่ะเราได้ทุนจกากพ่อแม่แล้วต้องไปตั้งร้านทําไม่ผมเดีอดใครผมดิบมาเ้าไม่มีน้ํายาซีมีพาแล้วผมเดีอดอย่างนี้ว่าจะรรมการค่ามั่งมีเลยนี่ เพราะฉนั้นมุ่งเปอย่างนี้แล้วก็ต้องกลับคุณตามสิ่งแวดลอมอย่างที่ผมว่านี่แะครับข้อสองในคำบรรยายนวทิศาสตพุทธศาสนาตอนหนึ่งของอาจารย์เองความว่าในชมพูทวีปมีการโต้คารมกันในข้อธรรมอย่างเอาจริงโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันนั้นอาตมาอยากทราบเรื่องราวดังกล่าวมีบุคคลชื่อใดอ่าเมืองไหนบ้างที่ว่าโต้กันถึงขนาดเอาชีวิตเป็นเดิมพันโอ้ยมีเยอะแยะเอาในพุทธศาสนาเราเองนี่แหละอ่า ไปตูว่าในสมัยทศวรรษ200เศษลาสนาพราหมณ์ถกลืมเต็มที่พุกธเรามัวแต่เป็นอาจารย์ขังพระที่ศักนิ์ในอินเดียข้างทศวรรษ200นะนิกลมนตรายานเอาแต่เป็นอาจารย์ลงเรื่อยลงดั น, านทาพระพิพ้นพระขื่งลางเศษน้ำม argent, ูลเสษเปล่าเรื่องการศึกษาหมดแล้วไปเรียนแล้วปริญญาไปเรียนแล้วเป็นอาจารย์ขังหมดแล้วท้าในอินเดียแพนละคดทางศานนงสนาพราหมณ์เขาดีิรูปศาสนาใหม่เขาหนักในการศึกษารวบรวมพวกพรามให้เป็นนักเผยแผ่นักตัวาที แต่ถ้าสึงในทธิศักดิ์นั้นในข้ามาคตเป็นอาจารย์ขังต ว, วารีก็ไม่เป็นหัวหน้าคามสองคนคือกุมาริระพัฒตาจานคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเป็นชื่อสังตสรสวามีเดินทางฆ่าพระต ว, วารีตามวัด ต, ต่างๆโม่ถ้าแพ่มาถ้าถึที่ศักดนั้นแพ้ต้องยุดวัดของตัวเองหรือไม่เช่นน้นก็อไปถผาวัด ต, ตัวเองเป็นเดิมพันและข้าเหล่านี้ต้องโอนตัวเป็นพั้าชนะสังกรสวามีกับก um ุมารีระัฒนาจะเอาที่ักตัดเป็นเดิมพันให้ เพราะรู้แล้วว่ายังไงๆพระพวกนี้ก็สู้กูไม่ได้เพราะพรวกนี้เป็นอาจารย์ขังนั้นไม่ใช่พ่าที่มีภูมิรู้การศึกษาสูงในแง่ปริยัติที่จะสามารถแก้ป ร, ปรัชวาดหรือคุ้มครองศาสนาได้ไปเล่นกุมารีรัตพัฒนาจารย์กับนันท์กษัตริย์มีจึงบังอาจฆ่าพราศุกรในค้อยมักคโคตรตัววัดีผลก็คือพราศุงร์ห้ารอยลูกต้องกลายเป็นผาแท้เขาหมดวัดจํานวนดีสิทธแพงเป็นอารามใหญ่ถูกเผาไปที่นหน้าทึบเพราะไปแพ้ตัววัดีเขา นี่เป็นเ่องเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งในพศหนึ 1, ่งพันเศษหนึ่งพันเศษที่มหาวิรัยนารันธาเป็นมีนายและพุทธศาสนาซึ่งเป็นการศึกษาอย่างรุง่มรื่งในศาสนาพุทธเต็มที่พรามในกายรูตา ย, ยตะคนหนึ่งไปท้าพระในนารันธาตูวว่าที่บอกว่าถ้าขอ้ า, ขอาหาว่าเขาทาชนะให้กระตุ้นจิตใจให้กระพระนถ้าเออเวลานั้นน่ะในนารันธานนะ่ะมีพระองค์หนึ่งมีพระอีก เดิขข น, น, น, นทางมาศึกษาในนาลันทาท่าองค์นี้คือพระสังฆมังจังมีความรู้แตกฉานทั้งมหาญาณวิญยานทั้งนานาศาสนานาณาปรัชญาทั้งหมดทั้งนาลันทาคณะอาจารย์ของนาลันทาก็ลงมติเลือกทันผู้นี้ไปเจลาทีกับอิจฉางคนนี้ผู้เขาอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนอิจฉางคนนี้ยอมแพ้เตรียมพร้อมเอาอา ว, วุ ธ, ธมาทีบอกนี่มูลท่านตัดคอผมได้ผมแพ้ท่านแล้นท่านสังฆมังจัง ท, างท่านยืนจังบอกว่า ฉันไม่ทำหรอกธรรมะน่าจะขยบุตรไม่ทําปาณาติบาตเพราะฉะนั้นฉันไม่เาชีวิตแกหรอกเอาเพียงแต่ว่าให้แกเปลี่ยนใจมันถือศาสนาพุทธก็พอแล้วยอมเปลี่ยนนะเอานี้เป็นเดิมพันท่านอะความคุณนี่ยอมเปลียยนนี่ในรายนี้สัสนาพุทธชนะศัสนาพุท ธ, นะ น, ธนะในรายนี้เนี่ยเอาความคุณนี่ยอมตอนเราพามเองมื่อแพ้แล้วก็ยินดีจะตัดถูกตัวเองตามคำท้าเหมือกันนะเนี่ยนี่เปตัวอย่างนะครับอ่าอ่านักศึกษาเลขที่สิบหกถามมาว่ารอ้อยหกิบห้าถามมาว่า โลกุตระธรรมเกิดได้ในภูมิใดบ้างเหตุใดจึงว่าโลกุตระธรรมนี้ไม่เกิดในอบายุพูนอ๋อก็แน่นี่ครับโลกุตระธรรมเนี่ยในภูมิใดเ ก, เกิดได้ทุกภูมิเว้นอายภูนสี่แล้วก็เว้นอัศวีสัตตาภูมอัศวีสัตตาภูมอยู่ในรูปเปล่าจะภูมิแต่เฉพาะในภูมินี้จะได้เว้นเว้นเฉพาะอัศวีสัตตานะหลอกนั้นเกิดได้หมดส่วนอายุพูนเนี่ยเกิดไม่ได้ที่เกิดไม่ได้เนี่ยเพราะเหตุว่าปฏิสุขที่เป็นทวิเหตไม่ใช่ตรัยเหตุ ถามว่าทไมอะไรยัคเกิดในดาเพราบปฏิปฏิสุทธิตัดใบายภูมิน่ะเป็นทวีเหตุดปฏิสุทธิผู้ที่จะทมามัดผลเจริญทานมาบั ต, ติจะต้องติเหตุุกัปฏิสุทธิบุคคลแล้วจเป็นติเหตุสกัอุกตร ะ, รระด้วยเหตุกอุกตระบุคคลด้วยจะทมามัดทาผลเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกับคูค้มง่ายๆเราอก ง, ง่ายๆบอกว่าพใ ด, ดก็สัยดก็ตามที่ปฏิสุทธิได้ใช้เหตุแล้วตักนั้นจึงจะทมามัดผลได้นะแต่ถ้าสัย์ปฏิสุทธิได้ทวเหตุแล้วทามัด อันนี้ก็เกิดจากเรียว่าปฏิสุทธิเป็นเหตุถ้าจะว่าแล้วนะมันมอีอันตรายหลายอย่างกรรมวิถันตรายกรรมันตรายกิเลสันตรายวิปากันตรายอันนี้เป็นวิปากันตรายขับบาภมเนี่ยจัดนวิปากันตรายตอมรรผลอันตรายเกิดจากวิบาศเพราะปฏิสุทธินี่เป็นวิบากวิบากขธาธาานของชาติปางก่อนเมื่อทำเบื่อทาอกุศลกรรมชั่วปฏิสุทธิเนอุเบกขาสัมณะแล้วเป็นภวิเหตุหมดจึงเป็นวิปากันตรายห้ามรรคห้ามผล อาไวยาภูมิห้าอสัญญาสตาเล่าเพราะไม่มีจิตจิตไม่มีมีแตู่ปลูปขันเหมือนคนลูกฟักลริ่งไปก็กริ่งมาถ้าไปไเกิดในตาในอิยาบทนั่งก็ไปเกิดในอสัญญาเป็นลูกเหนนั่งกดทนโถ่ถ้าตาในอิยาบถนอนไปเกิดในอสัญาสตาจะนอนทนโถ่ซึ่งความรู้สึกความรู้สึกนั้คนจะเกิดแต่อย่างไรม้กค้องเกิดกันยานัทสมะใช่ไหมฮะสำนียงอสัญญีสตาจึงเป็นปากันตรายถึงแม้จะเป็นเด็นิดเด็กนิดตุกข์กระตนที่ก็เถะ ว่าปฏิฏิบุตรที่เนี่ยดูทอดใจเหตุอย่างแรงแต่เวลาขนาดปฏิปิบุตรที่แห่งอาถรรพ์วิสัต์นั้นที่ไม <me> ่มีนี่ยมีแตรูปวฏิถุปฏิปิบ <me> ุตินั้นไม่มีไม่น้ำไม่มีแล้วมักพูนก็เจริลไม่ได้ข้อสองทำสองข้อนี้ต่างกันอย่างไรและสัมพันธ์กันหรือไม่ประการใดหนึ่งมนุสังเกตนาอาหารวิญญาณอาหารวิญญาณอาหารเอาความแต่ว่ามนุสังเกตสังเกตนาอาหารไม้สังเกตนาที่เป็นกุศลากุศลกรรมนะฮะ เป็นรูปาวจรกุสนกามาวจะระกุสนอรูปาวัจะระกุสน์เนี่ยพวกง่ายว่าเจตนาที่เป็นไปในกามาวจรและรูปาวจร อ, อรูปาวจรเป็นมนสายัเจตนามดส่วนวิญญาณอาหารเนี่ยะออ ก, ก็เปเรือู้จับหนึ่งความรู้ทางในวัจตนาเนี่ยรับสมบัตกันกับอารมณ์ภายอกแล ะ, ะปฏิสุที่วิญญาณอันนี้ก็ถูอว่าเป็นวิญญาณอาหารได้แตกต่างกันข้อสามที่ว่ารูปกวคุมไม่หายใจเข้ามาในบริโภคกบาลีกระราหารนั้น สัตวรกก็ไม่เด็กบริโภคกรลบือกระหานหมือนกันทํำไมย่งยังต้องหายใจอ่าสักตว์นรกอย่างนี้ครับสันว์นรกถึงแม่ไม่ได้บริโภคกระบือกระหานต่อบางเหล่ากรบบริโภคนะําม่ใช่บริโภคไม่ได้บริโภคหมดนะกินน้ำนนํำลายตัวเองกินน้ําลายตัวเองดึงดึงกินน้ําลายตัวเองส่งข้อเป็นกระบืกกระหา น, นกันน้ําลายข้อสีจงตรงไหรครับแจ้งความหมายของคําว่า อะไรครับมันทาจุกะอามันทาจุกะมัชชิมาจุกะต่างกันอย่างไดใช้ได้ในที่ใดอันนี้มีมนขอให้ไปอ่านในหนัง <cryptocurrencies> สือบทเรองภิธรรมเพราะเกี่ยวกับตัวเลขแต่เกี่ยวกับแยกแยะตัวเลขผมไม่ได้จาตัวเลขมานี่นะครับให้แต่หมดแล้วนะครับอามูหะดีวะไตรเหตุนะฮะพระวิเหตุนั่นน่ะเพียงแต่มีอ่ารโมหะอภูตะแล้วก็มีอ่า โมหาเป็นปัจจก็เป็นทับเป็นับเป็นทับวิเหต์ปฏิสุทิ์ที่ทุขเหตนี่แหละแย่เลยยิ่งยใหญ่อเหตุตุกกะปฏิสุทธิ์ที่ยิ่งแย่ใหญ่ทัดหน้าบายภูมิอ่ะบงลาปฏิสุทิ์ที่เป็วิเหต์บางลาปฏิทิที่เป็นอาเหตุตุกกะปฏิที่์มีสองอย่างใบายภูมิเทวิเหตุปฏิสุธิ์ที่ทุกคนอ่ะเช่นพวกภุมิเทวดาชั้นต่ำเราก็ไม่อยากทุกข์เข้าเป็นอภัยหรอกพวกเปรตบังลาเปรบังลาที่เป็นวิมานนี่กระเัน แต่เาเป็นาบยูอย่างน like hmm? ี no ้ยังภูมาเทวดาชั้ามนี่ปฏิทธิที่จะทวีเหตุแล้วกับมนุษย์ปฏิสุทธิที่วีเหตุทำมัดผนไม่ได้มนุษย์เท่าเหมือการเทวดาเทเหมือนกันเทวดาที่ปฏิสุทธิที่จะทวีเหตุจะพูดภูมาเทวดาบางเหล่าทำมัดขนก็ไม่ได้แล้วก็อหตุธุกขาปฏิสทธินี่สิยิงตํายิงลากยิงอหิทธิอหิทุกขแล้วตัณฑ์โลกทุตภเป็นอหิทดินแาะชานทุตภัเป็นอหิทนะอสุรกายและเปรต ส่วนใหญ่เป็นอาเหตุสุกกะปฏิสุทธิส่วนน้อยเป็นทวีเหตุส่วนใหญ่จะอาเหตุอเหตุสุกกะปฏิสุทธิพวกนี้อาเหตุสุกกะปฏิสุทธิน่ะไม่ใช่ไม้ของว่าไม่มีรูปโกดลงปฏิสุทธิก็ไม่ใช่นะคำนี้คำนี้นี่ยไม้ถึงจะเปฏิสุทธิด้วยอุเบขาสันติระนจิตไม่ประกอบด้วยปัญญาไม่น้าต้ำปฏิสุทธิด้วยโูปตัางโกตั้งลงบั้งปฏิสุทธิอย่างนี้ไม่ประกอบด้วยเหตุที่เป็นกุศลจึงเป็นอาเหตุสุกกะ เพราะเหตุนั้นพวกนี้จึงไปปฏิสังขิในอาบายภูมิโดยเฉพาะอย่างยิง่งสับนรกที่เป็นขณะนั้นน่ะที่เป็นอวิบากนี้ไปเรียกว่าอเหตุกุกกะปฏิทังี่บุคคลอเหตุกุกกะปฏิสังขิบุคคลแล้วส่วนมากก็เลยกลายเป็นใบอบายภูมิทั้งหมดส่วนรรกมนุษย์นี่ก็เป็นได้มนุษย์จิตในไอเหตุกกะก็มีปฏิสังที่บุคคลเนี่ยถ้ามีเหตุก็มีถ้าเป็นปลาเหตุแล้วทมามรรคผลเมียได้ลองนั้นทําไม่ได้ อ่านักศึกษาเลขที่สี่สองถามมาว่าขอให้แนะนำหนังสือที่ศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พุธศาสนาถ้านักศึกษาจะซื้อมีอยู่ที่ไหนใครเป็นคนแต่งประวัติศาสตพุศาสนามีผมก็แต่งอยู่เรื่องหนึ่งเป็นคำบรรยายแล้วก็มีเรื่องภาพุทธศาสนประวัติแปลจากภาษาต่างประเทศเป็นหนังสือฉลองยรรี่สิบห้สวรรค์ัฐบาลอินเดียทําขึ้นฉลองพุทธเจียนตีนักศึกษาปีหน้มา ม, ามื่กุอได้ปริญญาแล้วทําเป็นวิทยาลเป็นวิทยานิโทนคือรับปริญญามีเรื่องหนึ่งเรื่องสองทั้งหมดนี่มีจําหน้าที่ น่าวัดประิเวทมาหาเมฆุตนะฮะสมุนพระสุมเมนข้อสองอาจจะมาอขอเรียนถามอีกที่อาจารย์นำเหลนตนเป็นชายโสต น, นี่ไม่ยอมมีครอบครัวนั้นมีอุดมคติอย่างไรไม่มีอุดมคติอะไรทั้งสิ้นครับข้อทั้งคำนู่อันหนึ่งคือว่ากลัวกภัวไทยกลัยขวัดปะาเห็นทยของวัดป่รแล้ ว, ว่การคลองเรือนเนี่ยเป็นที่านังรีจริงๆไม่เป็นช่องของความแปรปรวนไม่สบายใจได้เลย ตัวของตัวเองน่ะแบกขันห้างตัวเองเนี่ยทุกนักหนาอยู่ทุกวันนี้ลำบากลำบนชี้เําอยู่ทุกวันเพราะว่าเราเพราะไอ้ความรักตัวมีมากเนี่ยจิง่ย้อมในตัวเองน่ะไปแบกขันห้างอิเปันสิขันดีสขันดีิบห้าขันมาแบกไม่าตัวเอแบบตัวเกกุมใจตายคอยอยู่แล้วไปแบกต้งสิขันดีสิขันแล้วก็ตายเลยเป็นหาระิรตัวเรานี่แบนก็แฝดปิดินติดบางเลยไม่ไหวไม่เาเพราะรักตัวสงวนตัวแล้วเห็นภายจิ้งจ่มยอมเอาตัวไปเกลือตู้ไอ้ของ อ่าเป็นอาจุลของสุกโลกของหมดอย่างนี้มาพิพามันคือของสุกโลบบอาจุนี่เรารักตัวของเราไม่ยอมนีอันหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราต้องเราต้องอทำบา ร, รมีถ้าคนเราไม่มีอะไรความดีในตัวตึกตัวเราทีเดียวนจะเป็นมา ร, รมีถึงนะฮะเพราะนั้นการพุทพคมจันทร์เนี่ยพุทธิจา ร, รย์ตัดไว้หลายแบบการพุทธคมจันทร์บางแบบนี่นะเหมือนหนึ่งคนไข้ ย, ยอมกดของแสลงนะรู้แล้วว่าไอ้ของนี้เราก็อยากกินมันอร่อย แต่เพราะเราลูกกูว่าถ้ากูขืนกินของนี่แล้วลูกกูต้องกำเริบชีวิตเป็นอันตรายเพราะความหวงตัวหวนชีวิตกินไม่ยองแต่ของแถลงนี้เพื่อวังผลคือความหายโรคขนาดไบเพราะมันมจันทร์บางอย่างกระพิษไปกับเพื่อยอย่างนี้เหมือนกันเ <c oughs> นี่ยคือต้องมีขึ้นเรื่เสียงคือเรื่องนั้นคืออะไรละ่ะที่เราจะได้เห็งที่เรายอมอดทนรักษาอย่างนี้คืออะไร <c oughs> คือสิ่งที่เราเปลี่ยนสิ่งที่สิงส่งที่เราเปลี่ยนคืออะไรคือความพ้นทุกข์ในที่สุดทุกเรื่องราวคือมีพานเพราะไม่ตั้งหมายคือมีพาน แต่ไม่ใช่อยากได้ในฆาตนี้ในชาตนี้ยางก่อนยังไม่ได้เพราะยังวิบัตินาก็ไม่นีสมาธิก็ไม่เคยทามันมี ส, สมาธิเลยผมไม่มีเลยวิลักษณะก็ไม่เคยลองไม่มีเลยอ่เต้าไม้คืออะไรเอาเป็นบาลมีึงหลับไปเกิดในชาติดูสิตหวังกราสนาไปเกิดในดุสิตเทวโลกไปข้าพระสอริยะเมตตรายพูดง่ายๆเพราะนั้นวาบัตินาจะว่ามีดุสิตพบอยู่แล้มีปัญหาเพราะว่าปัญหาใช่เพราะว่าปัญหารับนี่เพราะไม่อยากโกหตัวเองว่าฉันจะเป็นอริยะในชาตนี้ยางรู้ตัวเองบาลมีจะไปถึงไม่อริยะเพาราะน แล้วก็อธิษฐานปิดอบยาคุณเอาบยาคุณตีมือสี่ขมห1่ยามาเกิดอีกอันขาดจะห้าขูมนีเป็นอันตัดขาดเลยบารมีชุกๆเลยปล่อยตลาที่ท่าเสีนาวัโล่ปล่อยปาเดินละร้ยบาทรบาทเป็นจําทํามาตั้งแต่ก้าปีแล้วพอปล่อยปลาก็ตั้งเอธิษฐานเพราะเดชานุภาพเปนอภัยทานที่ขาดทําข้างนี้ให้เป็นขว้าปัจจัยในขามนี้ให้ปพทธมิจันทรบริสุทบริุทบริบูรณ์ให้ได้มีให้ได้มีสติปัญญาในการเผยแผ่พุทธศาสนามีศีลสมาธิปัญญายิ่ เมื่อตายแล้วเราก็มนุษย์ยูนหนึ่งอมายภพูนสียามาเกิดอีกเป็นขันขาทีเดียวพอแล้วให้ได้เกิดเป็นครมบคูลสกาข้องีลอย่างเม่ทายปริสตัยดูสิแล้วกับบัณคืนเป็นพระมันรจงบุญนุ่นตลอดไปกระทั่งถึงพระิอานมาตลอเป็นทุดภาเ่อหลายังทํามพระองแล้วเป็นอรหันเลยสบายเลยตบนี้นกิเป็นร่าเดียวเกิดเป็นเทวกายฟังทํามพระอัน่เุเจ้าแล้วและเป็นเข้าเป็นอรหันปัจจเรเป็นอรหันเลยเราก็มีความหวังทีดเราอยู่ในความหวังนี่ครับ เพานีวิตอผมก็อยู่ใามหลังอันนี้แหละคามหลังจะเกิดกระดูสิดข้อสามขอให้อาจารย์อธิบายคําว่าอุกกาสายอัธยาศัยว่าสนามนิสัยมียามหมายแตกต่างกันอย่างไรความหมายไม่แตกต่างกันเลยครับเป็นวัยพฤแก่กันเลยว้ยพดแก่กันเลยอันนี้เป็นว่าพฤแก่กันนะครับอันนี้ไม่มีอะไรแตกต่างเท่ากับอันนี้อ่า ท่านท่านผู้หนึ่งถามมาบอกว่าทางศาสนาคริสสอนว่าพระผู้เป็นเจ้าช่วยเหลือผู้นับถือเช่นเด็กว่ายน้ำไม่เป็นศาสนาช่วยเด็กที่เด็กใว่ไม่เป็นศาสนาพุทธสอนให้ช่วยตัวเองเด็กพุทจะไม่ตกน้ําตายหรือเราจะแก้เขาอย่างไรศาสนาคริสนาจริงหรือว่าช่วยพระเจ้ชาช่วยทุกอย่างจริงหรือก็ข้าติดใจของฝรั่งเองก็มีพูดแล้วไม่ใช่หรือว่าจะช่วยตัวที่เจ้าก่อนแล้วพระเจ้าจะช่วยตัวเจ้าเองในภายหลัง มายความมคนจะนับถึงราาพระเจ้าออกรนพระเจ้าให้ช่วยอย่างว่าต้ช่วยตัวเองก่อนคือช่วยตัวเองให้เป็นคนมีเลื่อมสในพระเจ้ า, าก่อนใช่หรือไม่พระเจ้าพะหาวา่าทุกสิ่งพระเจ้าช่วยแล้วเพราะพระเจ้ามันมาเดินใจให้ทุกคนที่มมันนับถืพอพะองค์ห็นถือพระองค์ขึ้นมาในทันทีละ่ะอ่าเขามีิ์อนาจจริงนั่นแหละก่อนนี่แสดงว่ายังตกองอาสายการเผแผ่การโจประการบ้าการเกลี้ยกล่อมเอาวัตถุมาหลอกคนที่มาเื่อมใสแล้วคนที่มารื่อมสนี่ยอย่างว่าเขาต้องตั้งใจเลื่อมใสแต่ฉันจะเ่อมใสพระเจ้าละแลวฉัน อัตตา อ, อิสตองนาอัตโมนาโถแล้วตอนนตตตี้ต่อช่วยตัวเองคือช่วยตัวเองให้ชี้ศาสนาเก่ามาเป็นกับศืกษาศานาใหม่ช่วยตัวเองในการที่จะลงมือคุกเข่าอ่อนโพระเจ้าอ่ะแค่ก่อนเมื่อเอาโยนพระเจ้าแล้วพระเจ้าช่วยขาใช่ไหมเานั้นจะมาอบอกว่าานาคิสน่ช่วยเด็กตกหน้านาพุทธีให้ช่วยตัวเองเด็กตกหน้าก็เรช่วยตัวเองช่วยไปด้ไม่จริงศาสนาพุทธสอพุทธงาาี่เอาไว้ทไมแปลว่าอะไรอ่ะพระเจ้าเป็นที่ขึ ของของเราเขาทําปนที่พึ่งประสงค์เป็นที่พึ่งที่พึ่งอย่างนี้หมายความว่าเป็นที่พึ่งที่จะชี้ทางเพืนผู้ใค่กับเราเปรียบเหมือนเราเข้าโรงเรียนเข้าเรียนนะเด็กทิ้งสอบไล่สอบไล่ได้เนี่ยตารที่เด็กสอบไลนะ่สอบไล่แล้วพราครูบอก ข, ข้อสอบให้ไหมหรือหรือครูเขียนคําคําตอบในข้อสอบแทนมางก็จะปรากฏว่าเด็กนั้นต้องอาศัยกําลังกกติปัญญาและความจริงจังที่ตัวเรียนมาในการสอบไล่ ว่าความรู้ที่เด็กมีหนามมาจากใครจากครูใช่ไหมถ้าครูไม่สอนไม่บอกแล้วเด็กมันจะรู้ขึ้นมามนิดถึงจะทัางสอบได้จริงเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้ า, าพระพุทํารรมสงเหมือนครูตอนตอ น, ตอนนี้เราไม่รู้อะไรมาก่อนเลยต้องอาศัยท่านอาศัยพระพุธทธธรรมสที่เป็นครูนี่แหละมาสอ น, นเราอะไรเป็นรูน้อะไรเป็นบาวอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอาศัยพระพุธทธธรรมสงข้าั้งนั้นเราถึงจะมีความรู้ชุดของเราเองได้ใช่ไหมทําไม่อาศัย ทักษณะตายแล้วเราที่นั้นจะมีความรู้ช่วยตัวเราเองเหมือนเด็กนักเรียนเนี่ยถทำไมเขาโรงเรียนขึ้นความรู้ครูบาอาจารย์ในหูถ่ายพอดแล้วพี่นั้นจะสอบไ ร, ร้เป็นยาดีกเป็นด็อกเตอร์เป็นปรึกษาออกมานี่ก็แปลว่าท้รราทักษณะตายเนี่ยเป็นที่ถึงชาวพุทธเป็นที่แล้วแต่ในขั้นที่ในขั้นท้ายชาวพุทธเราก็ต้องขึงตัวเองคือหมายควมว่าในขั้นจะนพ้นทุกขั้นถึงนิพพานต้องปล่อยวางนี่ไมด้ผู้ที่จะไม่ทอทิ้งเราไปตามเราขัาา้นวิมาที่สุดท้ายที่เราบรารลุอรหันตผลไปตามเรามาเรืย ตอนนี้พระเจ้าของเขาก็าอ่านมาว่าเด็กตกน้ำแล้วพระเจ้าช่วยทุกคราวข้าเป็นลาวยายอย่างไรดีคือเป็นเด็กที่มีู้ใหญ่สอนทัางเราว่ายน้าแข็งบาน้ำเต็นช่วยตัวเองเราดีหรือว่าไอ้คือมีคนสอนเราว่ายน้ํเรา้วก็ไม่รียนไปเรียนเราวังเขื่านเราจกน้าทีเราต้อมีคุณคอยช่วยเราทุกครั้งในกรณีสองย่างนี้เครู้ใครฉลาดปัญญถามตานนี้กล้วัว่าใครมีคนู้ใครมีคนฉลาดเอาละมีครูคนหนึ่งคือสอนว่ายน้ำแต่ที่มาสอนใจนะสอนว่ายน้าวันนี้ว่ายน้าเคยตัวเองตลอชีวิต มีน้ำซ้อสูดเองเนี่ยอาจจะเป็นยิ่งกับคนอื่นช่วยคนอื่นดูแลตกน้ำได้ด้วยกับคู่อีกคนหนึ่งบอกว่าแันไม่ซ้อนแต่าวิธีไห้นะฉันจะผูกขัดเฉพาะตัดฉันแต่ว่าแต่กน้ำทีไรก็คอตรกูลหนุเวกีกันแลต่ถ้าตายฉันไ่ยิงช่วไมได้แล้วแะ่ตน้ำตายกล่านะอย่างนี้เราจะเลือกคู่คนไหนสองคนนี้เราก็เลือกคูคนนีู้วิชาขายพ่อวายกับเราใช่ไขายพ่อกรตันงเราเนี่ยไหวน้ำช่วตัวเองตัวเองได้เป็นที่คุณกับตัวเองได้ใคไหมเราคู่อะไรครูที่เราบอกว่า ฉัไม่สอนแกหรอกว่าแทนตกหน้าเมื่อยแกตะกูเรียให้ฉันช่วยก็ได้กันแล้วฉันจะช่วยได้หรือไม่ช่วยได้หรืจะมาถึงมาทานาไม่ทันน่ะท่านไม่รู้หน้าข้อนี้แต่แกตะกรลเขาก็แล้วกันว่าพระเจ้าช่วยพระเจ้าช่วยแล้วฉันช่วยแต่ไม่ด้ทนหหนงอย่างนี้อาอย่างไหนเรายอถามเป็นกะปิุช้าขาวกปนอย่างนี้กัแล้วกันเขาพูดเจ้าสอนเราให้เราไวน้าเป็ดทาที่เราสอนเรานี่พวกมันจะถึงเราแล้วหากพวกมันไม่สอนเราจะทีแล้วเราจะหวเป็พราะฉะนั้น้าติพุทีมันแต่ล้าเวาติพุทีมันแต่ขาะ ทุกทุกขนาดไปเี่ยข้อสขอสองออธิบายว่าคนที่นอนฝันนอนไม่หลับอัตมาสงสัยทําไมในทวีนายที่ฝุดนอนหลับฝันว่าเหตุการณ์อาิีพเกลื่อนไม่กับอาบัตสังขาริเศธหรือทางอภิธรรมกับข้ทวินายต่างกันอ่าอธิบายถึงคนที่นอนฝันนอนไม่หลับนี่อธิบายอย่างไรครับผมไม่ทราบคือผมอธิบายว่าพลังขจิตน่าได้แก่ภาวะภ า, าวะของคนที่หลับสนิทซึ่มีฝันด้วยว่วัตถะวัง แต่ถ้ามีฝันแล้วจิตขึ้นสู่มโนทวาราวิถีเป็นวิเปนวิภูตารมมบะเป็นอาวิภูตารุมบะเป็นมโนทวาราวิถีนะฮะอามโนทวารรุ่นด้วยอย่างนี้เป็นฝันในการการฝันเนีไเน่ไม่เป็นไม่เป็นตำริงว่าฝันว่าฆ่าคนตายอย่างเนี้เราไม่ถือมีมีวิบากเมื่อฝันว่าฆ่าคนตายมีวิบากแล้วการฝันที่สุกระเคลื่อน่ะจริงไม่ตะราจิกทันหดก็ทันนั้นเพราะเพียงแต่ความฝัน อมท้องปาที่ประกอบด้วยของจริงมีชีวิตจริงเื่อจะเป็นอันนี้เป็นความฝันนี่ครับของจริงชีวิตจริงเยนี่เปนนี่ในความมึดคิดทางมโนทวารนั่นเองเพราะนั้นจะไม่กลับเหมือนกับที่สุ่มว่า่าคนตายเนี่ยไม่เป็นประราชีพเหมือนกันหรือันว่โอนอุตลพราะนันจะไม่กลับเหมือนกับที่สุ่มว่า่าคนตายเนี่ยไม่เป็นประราชิพเหมือนกันหรือฝันโอนอุตหรือรือธรรหรือฝันว่าทอนันตเรตรรมข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยโยสุบาทไม่เป็นเพาเป็นความฝันนะครับ ข้หนึ่งพระยิ่งุนที่ถือเป็นลทัทธิมหายานแต่ว่ามีเมียอยู่พวกเรานี้จะมีทางบรรเทนถึงขั้นนักขนได้ไหมอ่าพระยิ่งฝุนไม่ใช่พระแล้วครับเขาถือว่าเขาเป็นนักโทษไม่ใช่พิสุเขาไม่ได้บวช ด, ด้วยยติจตุตกรรมลาจาตามระเบียบอุปทั้งหมดอย่างเราอย่างนี้นะครับพระจีนค่ายเดือนพระรามาในสิเบปบางวิกายไม่ใช่ทุกติยกายบางวิกา ย, บ, ากายบวช ด, ด้วยยติจตุตกรรมลาจาเพราะฉนั้นก็ต้องถือธรรมจานทร์ แต่พระญี่ปุ่นทั้งประเทศทั้งติดสามมิตกายเริกศิปที่สุดแล้วเขาสึกหมดมักกันสึกตั้งหลายร้อปีแล้วมันมั่นมั่นกันสึกที่แรกก็ศึกมิกายเดียวขาอีกมิกาอื่นเหมิกายนี้เอดีนี่เอาบ้างศึกหมดศึกหมดตัวลูกศรนาจย์แต่ยังอยู่ในวัดตั้งครอบครัวในวัดสมทานออกลูกเป็นลูกสมทานรับมระดกถึงนเจ้าวาต่อเหรสมทานหรือสมทานเป็นระดับขั้นเดียร์ว่าเป็นวาสนาที่ไม่ได้นะเขาศึกก่อนนะเขาสึกก่อนมีเมียนะเขาศึกก่อนเป็นวาสนาที่เขาไม่ด่ วกเราะเวลานี้สังขัตตนาไม่มีในญี่ปุ่นนี่แต่อุบาสุไปอนุศาสนาจาร์ขัตนาไม่ไปอนุศาสนาจาร์แล้วเขามีทางมาเป็นมักผลที่ครับแต่เขาทา ม, มักผลคือได้เป็นเสดาส ก, กิภาคานาคาขอ้ขอเป็นด่าง น, นะฮะข้อสองการที่เขาถืออย่างนี้เขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีได้สูงสุดคือพวกเราถือท่กวันนี้ไม่มีดีเนี่ยก็ไม่สูสุดบ้างหรือทําไมเขาถึงว่าพวกเราเป็นิ้มในญาตจะไม่เป็นการขัดความหมายบ้างหรือ ่าคือว่าสมงสุดหรือหรือไม่มมมมมมสมงสุดนะเขาไม่ได้ตัดสินกันตรงที่มีข้อครวรหรือไม่มีข้อควรแล้วครับเขาตัดสินกันตรงที่ว่ามีโทริี่ิตหรือเกล่าวผู้นี้ายว่าถ้าใครก็ตามเวลาจะมีธิรยานมหา ย, ยานนะถ้าตั้งใจแบบว่าคุณ โ, ฮ โ, ฮโฮทรโหมีอนาคาเตคนนั้นเป็นมหายายนเขาว่าทั้งทั้งที่เป็นภ่าธุรยานอย่างนี้แหละแต่ถ้าตั้งความปรารถนาว่าคุ โ, ฮ โ, ฮ โ, ฮโฮทรโหมีอนาคาเตเขาให้เขาไปจัดเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งนาคเถระตั้งใจอย่างนี้ทางมหายาณก็บอกคนคนนี้เป็นโทรที่จิตแล้วมีโทริี่ิต เพราะนั้นให้จิตนิยมตนมหาญานันทีโดยพุิไนในตอนนี้จิตไนทั้งเทาี่นิจิตนยังเป็นภาพจินตยานอยู่แต่พุทธิไนดูทางใจเป็นมหายานเพราว่าใครก็ตามทั้งภาทั้งคืนหนัก้าปราสนาเป็นยงแต่ว่าขอะจกาบรรลุอรหัตผลเถอะเขาอาไปเห็นในยานถึงแม้จะเป็นเป็นภาพมหายานแต่ภาพปราสนาอรหัตผลเข้าไปเห็นในยานยานแคบๆยานเล็กๆช่วยคนกลุ่มน้อยเอาตัวรอดไม่เหมือนมหายานเป็นครที่สัต ร อ, อให้ขนสัตหมดทข้นิพพานหมดตัวเองจะเป็นภูริสัตยจะเข้านิพพานตัวมหาาเนี่ยเป็นูริสัต์เนี่ยรอให้ใครๆเข้ า, ข า, ขาขนิพพานหมดลกตัวนี้สัต์จะแล้วแล้วลกสูญบ้างจาสัตย์โลกตัวนี้นะแต่ตัวนี้ในแสงโกจักรวาลเมื่อ น, นั้นแหละพระภูสัต์งถึงเวล า, ลาแล้วเราจะเข้านิพพา น, น้างละต้องอยู่เสตินาที่สุดท้ายนี่เป็นมหากราุณามหาเมตางเอาเขว่างันเขาจึงเป็นมหายานเพราะนั้นมหายานรินยาไม่ใช่แตกต่างกงกิ้งเทกหรือที่มี คูธิกิตเพราะฉะนั้นโบราณนี้น่ะพระบวชในทินยานแต่เป็นมหายาในเมืองไยมีเยอะแยะมีเยอะแยะคูบาตียชายช่างมึงเหนือเยก็เป็นมหายาโดยพิทธินันะท่านตั้งกรรมฐานนีในพุทธคูนี่พุทธคูนี่อนาคเตนี่นะเนี่เป็นมหายาแล้วนี่ก็ต้องการขุนสัตให้ทุกข์มากๆยังไม่กรรมฐานอาหารยังยังไม่เอาเอาไปคูนสัก่อนแล้วคนสัที่ญิงกว่นี้โบานี้ เราคิวรามายก็เป็นเราสิงศรัทธาเสียนปรัทธตรีเวลานี่ก็เป็นม้ายานุขตินัยพุทโธมีอนาคเต๋เหมือนกันลายนี้ก็เป็โธมีอันอนอาคเตก็ยังมีเยอะมีเยอะที่เป็นพุทโธมีอนาคาเต๋ออะมีเยอะบางทีมไรู้จากทั้งภาคทั้งกะดานแต่มีเยอะแยะในเมืองไทยเนี่ยนี่ก็พอทุ่คุณในเวลานะครับสหรับวันนี้ก็หมดหมดนี้ถ้าเรามีตากูดที่ไม่ก็คู่้ายานแต่งแต่ว่าอ้าว่าเป็นพุทธกตนะครับพุทธเจ้าแสดงที่ิ ว่าในเรื่องศูนย์ญญาตาอนุตาเนี่ยว่าด้เรื่องนี้อาตามเร like, ื่องบว่าท hmm? ่านเป็นโูที่ตตั้งคามรารนาพุทภูมก็ไม่ใช่าอหันเป็นเพียงแต่ว่านักคิดที่ยิ่งใหญ่ในพุทธศาสนาท่านนี้เป็นนักคิดที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ขวใจยากมากครับพระญาไาคนี้ขวใจยากไม่ใช่ว่าจะมาพูดให้รู้เรื่องกันในระยะเชั่วโมงสชั่วโมงไม่เปของนายเลยขวใจยากมากนี้ก็พูใจะอหูหูกระด็น นิดหน่อยเ็าตัเองครับชาวอินเดียนภาคใต้เกิดในวันนภาคมเป็นชาวใต้ปรัชญาถึงกับแปลครับกำลังกำลังทำอยู่แต่ยังไม่เสร็จถิ้ียย่อครับชิ้ในเรื่องในหนังสือเรื่องปรัชญามหายาณเขามีหนือชิ้นอีกเรื่อหนึ่งให้ชื่อว่าปรัชญามหายานโดยประมวลมีกายทางมหายานสำคัญแตกมีกายกล้อย่างค่อนข่านสมบูรณ์ เอาใช้เป็นคู่มีศึกษาได้ครับอ่าคือว่าเทราวาที่เป็นนิกายที่เครารพมะติของระฐมสังขารยานาที่พระเทเรห์อัลหันห้าล้าาาาาาามีพระมหากษัตริย์เป็นประธานทำมาไว้เพราะฉะนั้นมีการเทรวาทจึงเปิการพุทธศาสนาบริสุทธิ์ไม่มีอะไรมาแปดเลยมากมายอย่างพวกนิกายอื่นๆเขาเพราะฉนั้นการศึกษาพุทธศาสนาเขาจะศึกษาแบบบริสุทธิ์แล้วก็ต้ศึกษา พระตถาคตบาหลเป็นหลักเป็นเป็นพระพุทธบริสุทธิ์ถึงจะมีสิ่งแปดเป็นบ้างแต่น้อยเป็นทีไม่ใช่ไม่มีเลยมีบ้างอย่างกระสูนเรื่องลาหูอมจันอมอาทิ์เนี่ยมันจะพระพุทธคดแน่ล่ะราหูเน่ยลาหูไล่กวดพระอาทิตย์ขจัพระอาิตขจันก็วิ่งมาพุ่งพระพุทธเจ้าแล้วก็เปลนคณการว่านโมเตพุทธวีรัตถุเนี่ยคำจากคนลอกน้ำเลยพุทธเจ้าผู้แก่กล้าวิกรุตเดสัพพทิพระพุทคแล้ว จากบรรดาเครื่องขู่ข้างตัวข้าบาพระปฏิันโนสนิข้าพเจ้ากำลังตกอี่ที่ขับแย่ที่ลำบากตัศเมระนังคะวะขอพระองค์จงเป็นที่ขึ้งอันเก็นเตของข้าพเจ้าด้วยเถิดเพราะเป็นอย่างนี้แล้วลาหูก็คายทีเดียวไม่กล้าอมดูพระธรรมาอันรื่องนองนี้มีในบาลีเหมือนนอันนี้เราก็สังเกตได้ว่าเป็นของรุ่นหลังเอาเข้ามาหายานแรกเข้ามามีรื่องดิบเด็กอะไรต่างๆแบบนี้มีเป็นข้าแตกเข้ามารยูหลังไม่ใช่ว่าไม่ถึงก็ไม่มีเลยมีบ้างหรอก แต่ว่าน้อยเป็นทีแล้วก็มึงถึงมือแล้วก็ดูออกว่าอันไหนเป็นวัตถุแท้อันไหนไม่ใช่ถึงมือแล้วก็ดูออกนะครับดูออกอยังไม่มาหาสมัยในสูตน้นี่แะพันธนาชื่อยักษืเชืม่มากมายมากมาย ก, กายกองเนี่ยเป็นคาพันนาเ ข, ขาครอบด้วยทิฏฐิกาจารคัณเมื่อหางธ ร, รมชาติอยู่เป็นไทยที่ปัญญาเพรดาเดาหล่านี้มาฆ่าผู้ติดจ่าลแล้วก็กล่าวพาติดออกมาแล้วก็พระศาสดาจืออย่างนี้ในเทราวาตก็มีบ้างแต่ก็มีกลับรายอันนี้เราก็ขู่ได้ว่า อาตัศนณพุทธแบบดั้งเดิมมีในบารีตรีดุลส่วนมหายาณหนักเป็นชาวพุทธที่ตั้งขึ้นมาเมื่อพุทธจากรผ่านแล้วห้าล้วสีตั้งขึ้นเพื่อจะปรับปรุงนโยบายการเผยแพร่ศาสนาให้สามารถตอบกับกระพุกกระพุบตามให้สามารถดึงคนที่เป็นชนชั้นสามัญมาเร่ยนสาย้ดยมากๆพูดง่ายว่านิการถึงราถืคุณภาพเป็นใหญ่ทามหายานถือปริมาณใหญ่เอาปริมาณมาไว้ก่อน เพรา ะ, ะนั้นประชาชนชอบพีซีดีตอนชอบหลวงพ่อแจกเครื่องรางของขังม้ายางเนื้อจะ้งหมดอยากมีอยากจะมีคาถาเลยก็มีคาถาเลยให้อยากจะมีอะไรมีขอเพราะนั้นหนึ่งเครื่องางของขังหรวอพอ่ออะไรต่างๆแบบนี้เอาเข้า่าจากมหายางเทระบาดแท้ๆไม่มีหรอกเทระบาแท้ๆน่ะเขาเรียกเป็นปฏิฐานนยมคือมุ่งหนักระทาปฏิบัติขัดเก้ากิเลสเป็นไปเพื่ อ, อปฏิสันรนระฤกษ พุทธเจ้าบอกว่านั่นคนุไมนั่นเงินว่างนั่นลมฟางนั่นขี้ขาเธอไปเร้อไปทำทำทำปฏิบัติให้ให้ประโยชน์กับบคคอย่าให้เป็นคนว่างเปล่าเลยครงการนี่เลยนี่เป็นสปิถองคราลมีม่เลยนนขับน่ทันขับเกา่าเพราะนั้นทางมาหาญาติหาคาณรัฐบาลาเห็นแก่ตัวไงล่ะหาญาติเขาบอกโอ้าอย่างนี้แล้วก็ม่มีใครมาอยู่บ้านดีเงินสองสถึงสามคเอาไอาพ้พวกงาเงาที่มันช่าฤทธิ์เดช้นรังของขังขนมาเรถึอบ้างใครกูเลี้ยสุนัขขึ้นไม่หมดกู ไม่ได้เราต้องลับตึงไม่ได้การเผยแพ่ไหมอึ๊กอักเราจะเข้าฝ่าเข้าดงแต่หายวิเวกสุขเสริตัวใจยังวิเวกจิตวิเวกอุาทิวิเวกไม่ร้ายไม่ได้อะไรเลยนี่เห็นแต่ตัวแล้วพูนี้เห็นแต่ตัวมหายาติบอกไม่ได้เราต้องกระจงเข้าหาสังคมสังคมชอบเราเราต้องวัดก็จะ็นบริการให้เพื่อต่อสู้วัดท่นกับผู้ศาางครับถ้าจะตือนนะเทระวาดนี้ยายาไมบริสุทธิ์ไม่ได้เคลือบน้าตาลมหาญานกับยาเม็ดเดียวกันแหละแต่มีน้าตาลเครียบและระบายสีสีันต่างๆไว้น่ากิน เด็กเด็กเค็งข้าวก็ท อ, อบกินที่ข้าเป็นยาขึ้นมีนเปยาขมรักษาโรคมาเรี่ยๆช่ไแต่ว่าคนไม่ช่ากินเพามันขมเพราะนั้นกินตน้องมีไอ้น้ำตาลมาเป็นเปรี้ยขมให้เค็งเปนลูกกวาดคนไม่รู้กินไงมันก็เป็นยารักษาโรคมาอาญาจริงเป็นธรรมะที่หุ่มีให้สีสันฝังหุมไม่เยอะอยู่ข้างนอกนะการาธี่เป็นธรรมะอยู่ข้างในส่วนเหตุวานั้นไม่มีอะไรุ่มเลยเราของเาเป็นธรรมะบริสุทธิ์ล้วนๆแค่อยากได้คมาไม่อยากให้เงก็ไม่ก่อ ทามหาา่งงอมอยากให้ฉันเอาพุทธเอาให้แกมาเข้าได้งอ้อก็ยังเอาจะให้เอาใจข้ามาฉันเอาใจได้ทั้งนั้นแหละแเชอาเมียันให้แกหาคำว่ามีไป ด, ด, ดูมหายานครับแล้วเมื่อมหายานเกิดขึ้นแล้วก็ไปผลดึงเอาพวกามันยังทนมาัตถือได้เยอะพวกนี้ชอบ อ, อ่นวนมหายา็บอกมามาอ่อนวอนปาพุทธก็มีอ่อนวอนเหมือนกันพวกนี้ไม่ข้าอัตตาอัตโนนาโถเพา ว, ว่าเข้าถึงเลยยากทามหาาบอกไม่ต้มหาญาณีไม่ต้องอัตตาอัตโนนาอัตโนนาโถแบบี มีวิธีจะขึ้นปฏิพานทางรัฐด้วยเพราะว่าปฏิพาน์อย่างเทระว่ามีลำบากก็มองใน้ายตาเขาคุณสามัญชนที่มีลักษณะบารมีนะเขาบอกว่าแม้จะต้องมาขับเกากิเลสโอ้โหิจารณา โ, โอ้โสยาดิมันต้องอ่นกรัรนะแบย อ, อย่างอย่างก็ต้องปฏิบัติยุกหนองทองหนองเนี่ยต้องอยู่ปฏิสันลีนะมาหลีกเล่บากไ้เตินเขาว่าทำไมจะบอกไม่เกินลบากพูกเขาาบาอยู่อย่างาความคมน้เรื่องสองกิเลสคนนี่คือสวรรค์างรนะ เปนน้ า, าพระุตะันแล้วท่จะทาบาปมากมายาพระวิษุณุก็ยกบาปให้หมดไถ่บาปให้หมดฟารามทาอะไรก็มีวิธีพระเจ้าลยมาชื่อเรือไป่ะมหายยายหรว่าอย่าไปหาามเลยทุกข์ก็มีเหมือนกันทุกข์แบบมาหาานก็มีคือพรกโุทธที่ตันี่แหละเยอะแยะเพราะงันุมีทุกข์ถ้าเวาจะถึงพระพุธที่ตัดแล้วพระพุทธที่ต้ตองชื่อแล้วก็เอง ไม่มีลูกก็จะได้ลูกไม่มีซั ก, ก็จะได้ซับ อ, อยากได้ดูบูชาพระอ้อนวอนโพิสัตเข้าพราะองค์เประทานลูกชายอยากได้ลูกหญิง้อ้อนวอนโพธิสัตว์เข้าเพราะองค์เคประทานลูกหญิงไปในที่เปรียงที่มืดกวัวสัตว์จะทำร้ายตัวสุร้ายจะทำร้ายใหรบูชาโพพิสัตวแล้วก็โพิสัตว์องค์สำคัญที่ชาพุทธมหาญาณนักถือที่สุดนะ่ะคือพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กินด้วกอิ่ภาษาญี่ปุน่นด้วยว่ากันนอนภาษาจีนดยว่า อาฟังต่ายโบตักฟังต่ายโบตัมหาตัภาษาเยมนเ่อาภาษาอิ่าลว่าจันนันโบภาษาจีนว่าฮวงจีนอบักเ่เรียกอไเางุดว่าเอาโลกิตเตสวรายบอรทัตวายมหาตะตะาวิธีนี้ันจะบกวโตักไมอาริยาวโลกิตเตสวรายบรทิสตวายยมหากรุงศีกายถ้าานาอย่างนี้เรี่ยไปนะฮะ ตกน้าไม่หลตกไฟไม่หม้เข้าไฟไฟใหม่ไไหมนี่ไม่ระคายผิวหนังยู่ยงคุ้งัชาตรีในพระสุพนานสง์ผู้ที่บูชาเปงคนามพระพิฆคนนี้เสมอสตรายุธทาได้ไม่ได้ยาพิษทาอันตรายไม่ได้อ่าแล้วก็ไม่อยากจนม่งนีสสุไปไหนก็มีคนหน่ตาลักข่ลงน้ำไม่ไหว น, น้ไม่มก็เหมือนกัน้ำตายบูชาพระอุณีหรือพระอวโลกิเตศวน่ะบูชงนี้การสอนแบบนี้ชาบ้าธรรมดาชใจไม้มล่ะ อ, อ, อยนี้อออแบบนี้เข า, างชั่หน่อยออมหาาณบริการให้แบบนี้แข่งกับหนาักามระหนร า, ามเลยตรนรมเทเดียวนี่้าบ้านคาใจาบ้าที่ไม่ธรรมดาสามันนะเชอบใจสินี่แหละมหายาณจึงมีวิธีการด้วย่ามหาาณที่มหาชนในงปรัชญาก็เอาเลล์ึเลยอย่างทน า, าชุนหรือคตาเนี่ยไปเซลลรัลบยึด ก, กระทั่งถืง ว, ว่าเองก็ตามทิพย์ไม่ันนะ่ะรับรับยึดไปเลย มนแม่เรือ่องสามัญก็มีเรื่องึงรางของขังอะไรต่างๆพวกนี้วัฏฏาอาคมอย่างนี้ได้บริการให้แต่ว่าคนทุกขันทั้งทธทั้งฉลาดมันได้หมดมดมาหาญามาหายามีโฆษณาว่าเขามายานาูิมาหาชนเมื่อเกิดเป็นมาหายานั่น ก, ก็าากเรียก ว, ว่าจงรักภักดีจีนยานจีนยานคานี้คือวราว า, า ย, ยามรัเป็นชื่องตัวล้าเรียกตัวราว่ร า, ารัหรือไม่ก็เรียกว่าสาวกกยานยานของเขาสาวกสาวกอราัอราห้าร้อยในธรรมตะบันนี่คือเป็นอย่างนั้นครับ เอาไม่ได้สิครับเึ่งนี้มันเกินตัตัวไปเชื่อนี่ท่านอยาไปเอาเป็นอารมณ์ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจำเป็นลิซ้าอากาศธรรมชาติไม่ไม่ไม่จำเป็นเลยแม่ครับระหว่างเออาไมอยู่ทางดูจีนหนาวๆอ่ะล้วก็คงไม่ได้จะห่มจริงแบบนี้ไม่อยู่หมไม่ได้อยู่ไม่ได้เลยอยู่ลาบากมากต้องเล่ถึงท้าแล้วท่านถึงเท้าต้องไปมาก็ไปให้แล้วดีไม่ดีต้องซื้อหมูเข้าไปแล้วไม่ันอยู่ไม่ได้แตื่งนี้จะโดงแบบนี้ร้อนหนาวเกลอนนายตายไม่ั้งคอยู่ได้หิมะตกไปหมด มันจำเป็นที่จมาช่าบังคับต้องมีเงิเกินต้องใส่เสื่อไม่งั้นอยู่ไม่ได้อันี่เป็นสำคัญครับเราทราบแล้วอะอย่าว่าจะมาหายาตแล้วก็พูกนี้นวิไกลินยานเยกันะที่ในเคารกมติในธรรมสัตบัณ์ะเขาจะทอนทิขาปวดกันอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นศีรนะน้อแบบนี้เขาทองเขาทำได้อยู่แล้วนีกลนยานเียกันเขาท้อกนอยู่แล้วเพาะฉจีบไตรไล่เขาก็ยอมในพวกนี้อยู่แล้วไม่ยอมมาญาติาหาญาติ้ามาหาญาตลอเขาดีจะเป็นอาบัตถ้าหากว่ากาทอาบัตอย่างนั้นเป็นการช่วยกัน ให้เขาเระฆ่ามหายาป็ยคบผู้หญิงในป่าของแต๋ตองแล้วผูิงคนั้นเกิดปวดท้องเดินมาไหนไม่ได้ถ้ามหายาจะเป็น้มผู้หญิงก็ไปอาบัตถ้าเป็นฆ่ามหายาแล้วยอมอาบัตยอมต ก, ก อ, อุกงยไงจะต ก, กอ้ก็ยอมแต่าการตกอุนั้นจะเป็นการช่วยหายทุกข์ของสัตว์ามหายาดีไดีเป็นอรนี่เขาต้อบอว่าเขามีโพลธิจิตมีหลักหากรนาว่าจะเป็นพระดีในยานแล้อคงเอาสิ เพราสินค้ามินัยเสียนี่แต่ถ้าพระอาญายอมถือเป็นประราชิตร์ก็ยอมได้ลงโลกเอาเป็นประราชิตร์ลโลกเอาแต่เพาะว่าการเป็นประราชิตร์ของเขานั่นจะเป็นสาเหตุให้สัตว์ทนทุกข์ต่อเขายินมีจะให้สัตวทนทุกข์นี่เป็นพระอาญาวางเลยเพราะฉะนั้นไปไปพระอาญาน่ะโดนปฏิขาโดนใหม่ขึ้นมาหมวดหนึ่งนะต่างจากพิคุปปาติโมกเรียกว่าโพธิสัตว์ปฏิขาวินในของเขาติดตัดมีอยู่มีอยู่หลายข้อแล้วก็แรงด้วย คือข้าไมไปถึงในใจเนี่ยใจเช่นว่าพิกิตรโพธิสัตว์ที่ิตรที่รักถึงโพธิสับเนี่ยถ้าเห็นคนุขอทานละ ก, กากดคนณอดยากมาขอแล้วไม่ให้ใจเป็นเพียงวัชรยิยะบอกกูไม่ให้เป็นอาบัติแล้วอาบัตันทีจะเป็นใจชิดเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเห็นคุณร้องโอดคนเดินอ่านไปเห็นอยู่รู้อยู่แก้เมืนเฉยไม่นําพาเป็นอาบัตเป็นอาบัตที่เดียวกินเนื้อสัต์ เนื่อปลาเป็นอาบัติพราฉนสิน้นผู้ดีักิ์ึห้ามม่พระินเนือกลาแปลว่าพระกินเนื้อลาเนท่ากับเป็นการช่วยชาวบ้านในทาทานาบิบาทที่สุดสามาหาญาณ ย, ย, ยิงต้องมังสาวิรัตพัรวิรัตเพราะเหตุที่สินผูักินเป็นเหตุและถ้าเราไม่กินกได้ชาวบ้านาไม่าเอา ก, การจ่จางปลามาทำบุญถวายพระมเขาเลือกอยู่าไม่เอาหือเอาผักมาถวายสิที่สุดสายมาหาย่างจึงดเร่งังสาพัชรวิขาดเพราะว่าจะทาให้สินผู้ดักได้มองไปขาดไป แต่ว่าในในพิสุจนิปฏิโมกข์อนนี้ น, นแล้วนะถ้ามาหายาในระเบิดนะรับสีนสาอย่างสินสมณเณรสินปฏิโมกข์แล้วก็สินภูริสัจสามอย่างนักกว่าสภาพเวาอีกต้องรับสินภูริสัจอีกแต่ว่าข้อเท็จจริงในแง่การปฏิบัตทิที่ที่รูป ก, การที่ทำตามภูริสัจได้เนี่ยก็ น, น้อยเป็นทีมีแต่เรื่องเกิดขึ้นแลว้ววปนหลักทฤษีเป็นส่วนใหญ่ใสินภูริสัจเนี่ยมีอยู่มีแปลกอยู่หมวดหนึง่งขึ้นมาที่ว่าผูที่รับสินภูิสั ถ้าเห็นไอ้คอคนคนใดกายวจายอยากคลายเจื่อนจจแต่พระพุทธธรรมประสงค์ตั้งตัวเป็นสตือต่อพุทธศาสนาแล้วผู้รักสีภูริศัตรนั้นจะต้้งผู่มเทสติกังลังกลับใจบุคคลคนนั้นให้เป็นสมา ธ, ธิ้ากลับใจไม่สาเร็จแล้วบุคคลคนนั้นจะทําอันตรายต่อพุทธศษษษษาสนาแม่ทหารชี้บุคคลคนนั้นต่ควรให้อภิญญาอรให้ฆ่าบุนคคลนั้นเสียแทบว่ การฆ่ามันคนนั้นน่ะให้ถือว่าเป็นการฆ่าด้วยความกรุณาถ้าไม่รีบฆ่ามัะก่อนมันต่อการทําเข็มทำแต่พุทธเร้ามาสงแล้วมันจะเป็นจุกหมไหมไปอีกหลายแสนชั่วกับถ้ารีบฆ่ามันจะก่อนในการตัดปนไฟหรือช่วยคนคนนั้นเนี่ยจุกนุกนานเกินไปถ้าะไม่ทันจะทากรรมชั่วต่อพุทธศตนาสองเป็นการคุ้มครองศาสนาพุทธให้เพิ่งถ่าถ้าผู้ใดไม่ทำผู้นั่นเป็นอาบัติแม่แลสิ์มสัวมีอยู่ข้อนึงอย่างนี้มีอยู่ข้อนึงเอาแรนี้ขนาดนี้น่ะ คือว่าพาะพุทธมายาลืูว่าเป็นหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองศาสนาพุทธให้พ้นจากการืูเบียดเบียนเป็นหน้าที่โดยตรงทีเดียวถามว่าไอการที่ไป่าเขาตายน่ะคนข่าหนาตกรโลกไหมบอกแร่ว่าตกระโลกคนข่าก็รู้ตัวข่าแล้วตตกระกเป็นการปฏิบาทิติตกระโกแต่การตกระโกแบบนี้เขายินดีจะตกเพราะนึเป็นการช่วยให้คนภาชนคนนั้นน่ะเท่มัยแลองเป็นการช่วยพุทธศาสนาเทมไผอ่เพราะนั้น เขาจึงยินดีตกตะลกเพื่อสัพพัฒต์และนี่แหละเขาว่าเป็นสตรีทเขามหายานล่ะที่แตกต่างกันยินญานเขาว่างั้น เ, เรื่องที่ไปถามเกิดการในชาวจีนในเมืองไทยอ่ะที่จะเป็นชาพุทธจริงๆที่รู้ลึกลึกลงคำพีมาญาณจริงๆนะมีอยู่แห่งเดียวในประเทศไทยไม่อยู่แห่งเดียวคือที่พิทุสมาคมไทยจีนกระชาที่ห้าแยกสุภายชายทางวัดโคกที่นั่นน่ะมีการปาถกถ า, ามีการสอนธรรมกันมีการเรียนธรรมกันส่วนคนจีนตามบ้านตามโรงเรีออยนอไปถามพวกนี้ถือศาสนา ตาพิธีกรรมคือเขา้าถึงศั พ, พท์น้าเพียงแค่พิธีกรรมอย่างเดียวไม่รู้ว่าธรรมะเคย อ, อะไรที่ตกบ่อยก็ไม่รู้ว่าจากย์เป็นใครก็ไม่รู้ไม่รู้เลยพวกนี้เร า, า, เร า, เาก็ตแบบเข้าถึงเพียวิธีกรรมทั้งเองเพราะนั้นไปถามกับที่ทั่วตอบเงี้ยคนร่างครับคนริการเวลหลังอีกนี่กายหนึ่งเวหลังคณะชุนไม่ถูกกันคนริกายนีกายเวหลังนีกายเ ว, ล ห, ลยเวลหลังตั้งขึ้นในเมืองจีนนีกายนาคณะชุนตั้งขึ้นในอินเดียห่างสมัยกันเยอะแยะเวหลังตั้งพศหนึ่งพันสองร้อยนาคณะชุนตั้งเมื่อพศ ห่างกันงหลายร้อยปีคุณประเทศแต่เป็นมหาวิทยาลัยกันคือมป็นการ ย, ย่ายในมหาวิทยาลัยกันนี่การท่านนั้นเขาใช้เวลานี้อยู่มีแล้วไม่มีพิสูุนไม่มีการแล้วคือศูย์ไปโดยผู้ติดในแต่หลักคำพีหลักปรัชญา ย, ยังอยู่ยังเรียนกันอยู่ก็ตถุประสงค์คือไม่ให้คนเห็นภาพนี่ลุล่าย์ไงฮะกิน<ม>เนื้อที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่กินกันอย่างเงี้ยดูดูไร้ปลาย ป, ประการหนึ่ง แล้วเนื้อเนื้อเหล่านี้ก็มีโทษกินแล้วอาจจะย่อยอยากแล้วก็มีปูขยะจะเป็นอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็รับสั่งให้งดเว้นเสียในสีนิสุกครับมาหายงางเนียมจีนจินยานเลยเพราะมาย่างเกิดหลังจินยานสักห้ารอยปีนี่ท่านอาสายพระสูตในจินยานนี้ไปขยายความในคําพีมาหายาดไปแตะให้ประเทศไรกข้าวเยอะๆเป็นมาหายาน อันเล่ที่ร้อยหกสิบเอ็ดถามมาว่าโลกอยู่ที่ไหนพระนิพพานอยู่ที่นั้นธรรมไม่มีสภาวะแล้วโลกก็ไม่มีความหมายท่ากับคําที่ว่ามนุษย์อยู่ที่ไหนพระธรรมอยู่ที่นั้นถ้ามไม่มีมนุษย์พระธรรมก็ไม่มีหรือถ้ามีก็ไม่มีความหมายใช่ไหมอแม้มนุษย์จะไม่มีพระธรรมก็มีอยู่ครับพระธรรมในที่นี้่หมายถึงอ่าสันติธรรมนิพพานธรรมมีอยู่แต่เมื่อมีมนุษย์แล้วธรรมก็มีอยู่ของท่านไม่มีการบัญญัติขึ้นมา การที่มีการระยัดธรรมะขึ้นมาน่ะเกิดจากลูกเป็นผู้ระ ญ, ญัดธรรมะจึงปรากฏต่อโลกทำลูก ม, มีแล้วธรรมะก็มีอยู่ในตัวของธรรมะเองโดยไม่ต้องมีใครไปรู้ถึงมันล่ะเป็นอย่างนั้นครับอสองเลขที่สองร้อยสี่สิบหกกับสองรอยสอสิห้าถามมาว่าอาจารย์อยากทราบ ว, ว่าในบรรดาพวกในกายมหายานนั้นมีพระอุบาตอุาติกาเป็นพระอริยบุคคลบ้างหรือไม่ถ้ามีขออาจารย์กยกตัวอย่างบุคคลนั้นให้ทราบด้วยนี่มีอริยะบุคคลมี อาชันตดาสกิท า, าอาณ า, าอาหันมีอยู่อายุตัวอย่างเช่นเวรหลังเนี่ ย, วยเวรหลังนู่สือเวรหลังนี่แหละเขาถึงกำลังทนเป็นาปอาลหันแล้วนะเขาพูดมาอายาถือกำลัง ท, ทำเป็นอาหันแต่เป็นอาอหันที่มีความปรารถนาเป็นพุทธเจ้าคือเป็นอาหันที่ไม่ยอมจะมีทาน ง, ง่ายๆไม่ยอมอันทุกข์พาิเสสานง่ายๆยังไดอยู่สร้างบารมีช่วยโลกต่อไปจึงเป็นอาะหันตะพูที่สัตวม่ครับอ่า ให้ช่วยอธิบัตท่านเข้มาเน้นสมโยกถามมาว่าให้ช่วยอธิบายคําว่าชีวิตคืออะไรชีวิตที่ใช้พ si ูดในภาษาไทยทางโลกกับธรรมะต่างกันอย่างไรและชีว so ิตอยู่ได้ด้วยอะไร้าชีวิตคืออะไรนะฮะชีวิตคือความเป็นอยู่ตรงตัวแขงเลยชีวิตคือความเป็นอยู่ความเป็นอยู่นี่แหละแสดงว่าเป็นจัมแสดงว่าเป็นเป็นชีวิตนะฮะชีวิตที่ใช้พูดในภาษาไทยทางโลกกับทางธรรมนั่นอ่ะไม่ต่างกันละครับ ขึ้นชีวะ ค, ความเปนอยู่ก็ครอบทั้งทคำทางคำโลกแล้วและชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไรชีวิตอยู่ได้ด้วยแรงของวิบากกรรมหนึ่งอยู่ได้ด้วยแรงของกิเลสปัญหาหนึ่งสองอย่างอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยของสองอย่างนี้อนักศึกษาเลขสองหหกสิบถามมาว่าตามพระวินยัยห้าไม่ให้บุคคลอวัยวะทีการบวชเช่นคนตาบอดเป็นต้นแต่ตามคำบัรยายนวัติศาสตร์ของท่านโอรุพกเจ้าโกรกจึงมีตาบอดบวชได้ ได้เหล่าหรือว่าอย่างไรฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจหวังว่าท่านคงให้ความสว่างในที่นี้เนี่ยขเข้าใจว่าท่านจะได้ อ, อทํามาจักรุนะครับได้ทํามาจากักรสุแล้วเมื่อได้ทํามาจักรสุแล้วได้ทํามาจักรสุแล้วตามประวัติก็บอกว่าตาที่บอดนั่นน่ะอายมาเป็นปกติทุกอย่างได้มังสะจักรสุกลับคืนมาด้วยท่านน่นก็ต้องเชื่อในคน้องอภินิหารว่ามังสะมังสะจักรสุของเจ้ายายคุณาละได้กลับคืนมาด้วยจึงบวชได้ในกรณีนี้ ถ้ามังม่งมัตจักรุไม่กลับคืนมาก็คงบวดไม่ได้แต่เป็นอาเรียบบุคคลในเพศขรหัดมีครับที่มุนีนาำธรรมะอย่างนี้เวลาเนี่ยยังมีเลยที่ต่หวันที่ญี่ปุุนยังมีนาำทิุ่นีอยู่ผู้เสีสแบบทีุ่นีปฏิโมของเราเนี่ยสา ม, มอยกว่าข้อแล้วแต่ว่ายายเขาทุก ข, ข้อไหนจะเป็นไปไม่ได้ล่ะนะฮะไม่า <c oughs> เป็นไไม่ได้เออท่านสุติเจชูิฆูถามมาว่า วันที่14เมื่อวานนี้ข่าวเขาลงหนังสือพิมหนึ่งการกระหารที่อุทยานักโทษกระหารนักโคษข้างนั้นบาจะไปตกอยู่กับคนยิงไม่ได้ไปตกอยู่กับคนสั่งให้ยิงกันแน่ผู้สั่งผู้ฆ่าจะบาปมากกว่ากันอ่าถ้าจะดูตามข้อเท็จจริงแล้วผู้ฆ่ามากกว่าผู้สังแน่นอนเพราะผู้ฆ่านั่นนะเห็นภาพของผู้จะถูกฆ่าปรากฏวัชก า, าจเจตนาที่จะฆ่าในขณะนั้นแรงมากถ้าไม่แรงยิงไม่ออกเนี่ยเท่านั้นจริง ไอ้ผู้ถึงผลล้ที่จะสร้างนุทวิบากก็ต้องมากกว่าผู้สั่งผู้สั่งมองไม่เห็นผู้คนโจเนี่ยถูกข่ามองไม่เห็นว่าสกัดเจตนาม่แรงแล้วก็ไม่ได้ใช้ลูกมือหารเองด้วยพลกรรมก็น้อยนะถ้าคุณมีบาคนก็มีบากนี่แหละอันนี้แหละสาคัญมามาว่าถ้าเราฟังถูกต้องตามกฎหมายเพื่อจะทะลุบ่มรุงความถูกของประชาชิแล้วพลกรรมจะมีเพียงไหน ก็ขอตอบว่าผมเราบิบากรรมนะก็มีน้อยน้อยยิ่งกว่าน้อยโดยเจตนาลักษณะของผู้สั่งนั้นเป็นเป็นลักษณะว่าทำว่าตั้งรัชทูมาหาญาณ น, นะเป็นโูติี่สัตว์ผู้ที่สัตว์แม่ตัวเองจะต้องบาก็ยอมเพือเ่อจะจะให้พระลูกบรมุนงค์ถกแต่ประชาชนเพราะฉนั้นในคณะนี้ผู้สั่งก็เป็นโูติีสัตว์เสกสละสุขเพื่อตัวเองสุขความสุขของมวลชนเ น, นี่ยต้องก็เดียวกันว่าเดียวกันกคือข่าถ้าหากว่าตั้งรัชกาจเจตนานมิแต่ว่า กูจะฆ่ามึงมงึอะไรส่วนตัวกูจะจัการคิดจริงให้เด็ดดวงตายอย่างนี้ลอยทางลอยเลยแน่นอนแต่ถ้าหาว่าข้าไเปเจตนาว่าเราทําเพื่อทะนุบำรุงสุก ข, ของประชาชนมาให้เกิดเอเกรณีร้ายแรงขึ้นอีกเป็นตัวอย่างต่อไปทําเพียงแค่นี้แล้วตั่งความเอ็นดูเป็นบูริจาริษแกผู้ตายตั้งควาเอ็นดูอย่าไปตั้งว่า เ, าเป็นตรูสั่งว่าเอ็นดูอย่างนี้ทําไปแล้วไม่บาดจำก็เบาบางเบาบางยิ่งให้คนที่ฆ่าด้วย น้ำใจคิดหรอมึงเปนศตรูกตกูเป็นจัดการกับมึงด้วยมีความพยายามมีหิงสาแรงขากแรงกล้าอย่างเงี้ยอย่างนี้หนักครับมีบากระหนักนะเพราะฉะนั้นลักษณะเป็นลักษณะนี้ก็ต้องถือว่าเป็นแบบภูีิตัดยอมยอมสลัสุกของตนเพื่อผู้อื่นเขาไม่สุกแบบนี้ไอ้ไอ้ที่อกเจ้ไม่มีผลกระเลยนะก็ไม่ได้มันก็ต้องมีหรอกจะว่าซับมัไม่มีเลยยกไปเลยทีเดียวมันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ดับิดตาวะมนกันแต่ถ้าว่าเป็นการทอย่างเสียตละยังสูงนะเป็นการเสีย ยอนตัวเองให้รับทุกเพื่อใประชาราชนมีความสุขเสียก็คืออย่างนี้ครับถืออย่างนี้อ่าเรื่องท่านสิริชัดโตพิขุถามมาว่าพระครู ท, ทิ้งให้พืชแต่ญาณบิดามารดาที่มาขอพระบิดามารดาเป็นทุกข์ไม่มีใครเสรืบสกุลตัวอย่างดังกล่าวนี้ทางฝายมหา ย, ยาณจะถือว่าเป็นมหากรุณานได้หรือไม่ไม่ได้ยาณในที่นี้ไม่ใช่ยาวิงสะกดครับยาวัดสะกดไม่ใชงยามานะที่จะข้าม ที่จะคุ้นตัดข้ามอกตันดารไม่ใช่ยอหญิงนะฮะไม่ใช่ยานรัตชนะเป็นยานมานะไม่ได้ท้ากรณีพระสุทินน่ะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันกรณีอย่างนี้เท่ากับว่าผู้ที่ให้ลูกเท่ากับเป็นผู้ประหารชีวิตคนผู้ที่ให้ลูกเท่ากับเท่ากับว่าเป็นผู้ที่ก่อทุกข์ให้กับคนทเมาในแง่นี้ละกอก็เพราะนั้นพระมาหาญาณจริงไม่ให้ลูกกับใครไม่ใ่ถือว่าเป็นมหาจารุงนาคนคดจระเด็น ผู้ที่สอนในคนไม่ต้องมีลูกแล้วเสียสลับตัวเองเพื่อลูกอย่างนี้จึงเป็นมหาใหญ่แต่ผู้ที่ยอมที่จะให้ให้ลูกโดยเสียสินี้อ่ะไม่ใช่ลักษณะมหากรุณาเป็นเร่องอำนาจลาคะมหากรุณากละราคาไี่ต่างกันนะครับเนี่ยมหากรุณาสุดมหากรุณาไม่มีราคะเจือถรรมากรุณามีลาคาเจือก็ไม่ใช่มหากรุณาไม่ใช่แล้วเป็นเตมะไปเป็นสิเนหะไปทั่ตอนห้าพุทธเจ้าบอบวดเลยฮะ อาแม่ที่นีน่า